ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตาปับพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนานาพระอมาราพิรกิตะอมโรโเกิดวัดบ ร, รมนิวารจนาต่อไปก็จะเป็นนิสักยะปัญจีวรที่สองโกติยวรในโกติยวรที่สองประดับด้วยสิกขาบทสิท โกทยาสิกขาบทที่หนึ่งสิกขาบทต้นความว่าพิสุได้หล่อเองหรือให้เขาหลอซึ่งสันทัดเจือด้วยไหมแม้สักเส้นหนึ่งปลิวมาตามลมตกลงในเวลาหอสันทัดนั้นเป็นนิสสกีต้องปาจิตติสันทัดนั้นคือเครื่องลาดอย่างหนึ่งที่เขาเอาขนเจียมหรือเส้นไหมลากซ้อนกันขึ้นในพื้นที่เสมอแล้ว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 ุท ธ, ธาการะสิกขาบทความว่าพิกษุใดหล่อเองหรือให้เขาหลอ่อซึ่งสันถัดด้วยขนเจียมที่ดำล้วนไม่มีสีอื่นเจือด้วยสันถัดนั้นเป็นนิสสขีต้องตาจิตตีสมุทฐานอะไรก็คงจะเหมือนกันเดี๋ยวท่านคงจะบอกดูีอ ย, ย่างจบในทเวภาคะสิกขาบทที่สามความว่าพิกษุจะหล่อเองหรือให้เขาหลอ่อซึ่งสันถัดใหม่พึ่งถือเอาขนเจียมดำล้วนสองช่าง ขนจียมขาวช่างหนึ่งเป็นที่สามขนเจียมเหลืองช่างหนึ่งเป็นที่สี่าำขาวเหลืองนะจริงๆแล้วในตะตครดกใช้แดงอนะ่ะขนจีมดารดสองส่วนขจีมขาวใส่วนทสามขนจียมแดงในส่วนที่สนะี่นะถ่ายพันธุ์นี่ได้บอกว่าใช้ขนเจียมเหลืองเป็นที่สี่ผสมกันหล่อเข้าถ้าพิกษุไม่ช่างเอาขนเจียมเป็นสี่ส่วนดังนี้ และให้เขาหลอสันทัดขึ้นใหม่สันทัดนั้นเป็นนิสตักทีต้องปฏิตรีก็แล้วสันทัดที่เป็นนิสตักทีทั้งสามอย่างนี้แณที่ตูดเสียสละแล้วได้กลับคืนมาจากบริโภคก็ไม่ควรใช้ไม่ได้เอามาใช้ก็เป็นอบัตต้องไปทําอย่างอื่นตัดทียังจบสิกขา บ, บทที่สามต่อไปก็เป็นฉับพษษัสสิกขาบทที่สี่ความว่าพิจูหลอเองหรือว่าให้เขาหลอซึ่งสันทัดใหม่ขึ้นแล้ว พึงทรงไว้คือบริโภคให้ได้หกปีก่อนถ้ายังไม่ครบหกปีพิสูจสละเสียกดีไม่สละเสียก็ดีซึ่งสันทัดนั้นและหลอเองหรือให้เขาหลอกก็ดีซึ่งสันทัดใหม่อื่นขึ้นอีกในภายในหกปีสันทัดใหม่นั้นเป็นนิสกีต้องตาจิตตีเว้นไว้แต่ทิจุเป็นไข้ได้สันทัดสมมติไม่เป็นอาบัติไม่สามารถที่จะเดินทางได้มีทิจูป่วยรูปหนึ่งก็ ญาติบอกให้เดินทางมาจะดูแลให้แต่ว่าไปไม่ได้หรอกไม่มีสันถัดแล้วไม่สบายว่าพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตให้รอใหม่ด้วยเพราะยังไม่ถึงหกปีแต่ว่าถือว่าไปไม่สะดวกเพราะสันทัดพับไม่ได้แข็งๆแล้วนะพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตตอนหลังก็ทูลพุทธเจ้าพุทเจ้าก็อนญาติว่ายกเว้นพิกสุ ป, ป่วยเข้ามาขอสันถัดส ม, มุดก็ไปที่ไหนก็ไปรอที่นั้นได้เใช้ได้อันนี้ก็จบสิกบวที่สี่ นิสีธนะสันถัดสิกขาบทที่ห้าความว่าพิสูรอเองหรือให้เขาหลอซึ่งสันถัดสําหรับรองนั่งที่มีชายพึงตัดเอาสันถัดเก่าให้กลมหรือเป็นสี่เรียมด้วยคือพระสุคตหนึง่งมาผสมเข้าด้วยในประเทศอันหนึ่งแห่งสันถัดใหม่หรือสางออกผสมเข้าเพื่อจะทําสันถัดใหม่ให้เสียสีถ้าพิจูไม่ทําเช่นนั้นและหล่อเองหรือให้เขาลอซึ่งสันถัด สำหรับรองนั่งใหม่ขึ้นสันทัดนั้นเป็นนิสกีต้องปลายจิตติปัญจมังจบถ้าจะทําสันทัดใหม่ต้องเอาสันทัดของเก่าเนี่ยนะโดยรอบคืบหนึ่งเนี่ยเอามาผสมไปตัดมาแล้วก็ามาผสมทําใหม่ไม่งั้นก็ของเก่าวัดทิ้งไปถ้าหกปีใช้แล้วเนี่ยทิ้งไปเสียประประักว่าผู้เจ้าก็ให้เอามารีไซเคิลแต่ว่าเอามาเฉพาะคืบหนึ่งคือพุทโธตัดโดยรอบสันทัดเก่าเนี้ย สมหรือสี่เหลี่ยมก็ตามต่อไปในเอลักรโรมสิกาบทที่หกความว่าพิกษุเดินทางไปเดินทางไกลไลยนะเดินทางไปขนเจียมเกิดขึ้นแต่ตรงหรือว่าคณะเป็นต้นเมื่อจำนองอยู่ก็พึงรับขนเจียมนั้นรับแล้วเมื่อคนผู้ช่วยนำไปไม่มีพึงนำไปด้วยมือของตนเองไกลเพียง3ามโยชน์เป็นอย่างยิ่งถ้าเธอนำไปไกลยิ่งกว่าสามโยชน์แม้คนผู้ช่วยนำไปไม่มี ขนเจียมนั้นก็คงเป็นนิสกีต้องอบดับตายจิตตีฉัดถังจบคนเจียมก็คือขนสัต์นั่นแหละถ้ามีคนเาถวายเราไปด้วยมือตนเองสามโยต์เกินไปก็ต้องอบดับนิสกียาไปจิต ต, ตีต่อไปในเอรักรโรมาโทวาปณะสนะิกขาบทที่เจ็ดความว่าภิกษุใดใช้นางภิกษุณีที่อุปสมบทแล้วในสงฆสองฝ่ายผู้ไม่ช่ายาดให้ซัก หรือให้ย้อมหรือว่าให้สางซึ่งขอนเจียมขอนเจียมนั้นเป็นนิจกักคีต้องภาจิตตีสัตตมังจบเจ็ดสิกขาบทที่กล่างวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ต้องนะเพราะว่าไม่ได้ใช้สันทัดกันแล้วอ่ะนิกทูนี้ก็ไม่มีแล้วนั่นก็เลยไม่ได้แสดงอะไรได้เหตอะไรมากต่อไปสิกขาบทที่แปดนี่แหละต้องประจําเลยต้องกันเยอะด้วยโดยเฉพ ส, สมัยปัจจุบันนี้รูปียัษสิกขาบทที่แปดความว่า ทิพซใดรับเองหรือให้เขารับซึ่งรูปยะคือเงินและทองที่เขาให้หรือตกอยู่แห่งใดแห่งหนึง่งไม่มีเจ้าของหวงก็ดีถือเอาเพื่อประโยชน์ตนเองหรือยินดีรูปยะที่เขาเก็บไว้ให้ก็ดีรูปยะกษนั้นเป็นนิสสกีต้องภาจิตตีทองรูปประพันก็ดีทองแท่งก็ดีเงินก้อนก็ดีเงินรูปประพันก็ดี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 มีเนยใสยเนยก้อนหรือเ น, นอยข้นเป็นต้นเหล่านี้เป็นกัปิยวัตถุเพียกตุถือเอาไม่เป็นอาบัตพวกนี้สามารถรับได้ในนิสตักิยวัตถุเพีกตุรับเองหรือให้ผู้อื่นรับเพื่อตนหรือเขาเก็บไว้ให้ต่อหน้าว่าของนี้เป็นของพระผู้เป็นเจ้าหรือของนั้นอยู่ที่รับหลังเป็นแต่เจ้าของสลับให้ด้วยกายและวาจา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 นับตามวัตถุนั้นรูปิยะเป็นนิสกีเช่นนี้แล้วพึงเสียสละในท่ามกลางสงอย่างเดียวด้วยคำว่าอะหังพันเตรูปียังปฏิกะเฮติ้งอีดังเมพันเตนิสกียังอิมาหัางสังคส า, านิสัชามิดังนี้ก็คือข้าพระเจ้าเนี่ยรับรูปิยะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าสละรูปิยะนี้ ข้าพเจ้าสระอรูปยะนั้นแก่สงสระในท่าำกลางสงถ้ามีเคราะห์ผู้หนึ่งมาในที่เสียสละนั้นให้สงพึงว่าตะเขา ว, ว่าท่านจงรู้ของนี้อ่าบอกว่าโยมโยมมาดูนี่หน่อยอ่าจงรู้สิอ่าจงรู้ของนี้ถ้าก็ถามว่าด้วยของนี้จะให้เอาอะไรมาเพิกุอย่าพึงบังคับว่าให้เอาสิ่งนี้สิ่งนี้มา อยไปบอกเขาบอกไปเอานั่นมาไปเอานี่มาพึงบอกแต่ของที่ควรว่าเนยใสน้ํามันเป็นต้นเป็นของควรแก่พิจุถ้าหากว่าเขาหัดนั้นเขาหาของที่ควรด้วยรูปิยักษนั้นเทก่ยุทั้งปวงพึงแจกกันบริโภคได้เว้นแต่พิจุผู้รับรูปิยักษผู้เดียวไม่ควรบริโภควัตถุสิ่งใดที่เกิดแต่รูปียักษนั้นแม้ผู้อื่นได้มาถวายก็ดี โดยที่สุดแม้แต่งเงาต้นไม้ที่บังเกิดแต่รูปียะนั้นก็ดีเทกตุผู้รับรูปียะนั้นไม่ควรบริโภคเลยไม่คนรใช้ถอยจะเป็นน้ำตาลน้ำพึ่งน้ำอ้อยที่เขาไปซื้อหามาด้วยเงินที่พระฤทุรับมาแล้วก็เสียสระจะส่งแล้วเนี่ยพระฤทุอื่นฉันได้แต่พระฤทุนี้ฉันไม่ได้ก็สร้างพวกสัตว์ร้ายพวกลิงพวกอะไรขโมยไปแล้วแล้วได้กลับคืนมาก็ห้ามฉันอีกไม่ควรบริโภค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 เพราะว่าเงินพอนี่เป็นงูพิษสาหรับสมณะที่หรับพิสูจนถ้ากระถาดนั้นเขาไม่ทิ้งไซส้เขาก็ขี้เกียจทิ้งสงพึงสมมุติภิกูจที่พร้อมด้วยองค์ห้าให้เป็นผู้ทิ้งรูปยะกพิสูจผู้ได้สมมุตินั้นอย่าทำนิมิตหมายที่ตกพึงเกลียดดังคูดนะให้เหมือนกับอุจระเลยนะแล้วก็ขว้างรูปยะนั้นไปถ้าเธอนั้นทานิมิตหมายที่ตกไซส์ต้องอาบัตทุกข์ก ห้ามดูห้ามมองห้ามรู้ว่าตกตรงไหนมันก็เวียงเวียงเวียงเวียงไปหลับตาเวียงไปเดี๋ยวป้องกันอากุศลจิตคิดจะไิเก็มาใช้ในรูปียะเป็นติกะปาจิตตีจะรู้หรือไม่รู้หรือว่าสงสัยก็แล้วแต่ถ้าไปปั๊แล้วก็เป็นตาจิตตีหมดไม่ใช่รูปิยะแต่สําคัญว่าเป็นรูปิยะหรือว่าสงสัยและรับหรือว่ารับนิสักยวัววัตถุเพื่อผู้อื่นนะ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 ถ้าใจยินดีต้องห้ามในกายหรือวาจาก็ไม่เป็นอบัติแต่ต้องไม่ห้ามในกายวาจาใจยินดีนี้เป็นอาบัติเพิกสุถือเองหรือว่าให้เขาถือเอาทีกรูปิยะที่ตกอยู่ในภายในอารามหรือภายในที่อยู่แห่งตนด้วยคิดว่าของผู้ใดผู้นั้นจักมาเอาไปดังนี้โดยในในรัตนสิกขาบทปรดีเพิกสุบ้าเป็นต้นกดีเหล่านี้ไม่เป็นอบัติแตของตกในวัดนี้ต้องเก็บไว้ให้เจ้าของขนะ สิกขบข้อนี้เป็นสานะติกะนะใช้ให้รับก็เป็นอำนาจด้วยมีองศามก็คือของนั้นเป็นทองและเงินที่เป็นนิสสกิยาวัตถุนิสสกิยวัตถุทั้งหมดจะเป็นเงินเป็นทองเบรูปิยะอะไรก็แล้วแต่ข้อที่สองก็คือเจาะจงให้เป็นของตัวรับเพื่อตัวเองตรงนี้เป็นอนิสสกิยเป็นตี๋ยถรับเพื่อคนอื่นแล้ทุกกดไปรับเองหรือว่าให้เขรับหรือว่าเขาเก็บไว้ให้ยินดีเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ รับเองหรือว่าให้คนอื่นรับก็ตามหรือว่าเขาเก็บไว้ให้หรือว่ยินดี น, นี่ก็เป็นองค์อย่างหนึง่งร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นอิจตกิยะปต้จิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับสันเจริญตากิขาบทเลยก็คือสมุทฐานหกเลยนะแต่ว่าเป็นอคิตรกะแปลงแต่จิตข้าวลนี้เป็นสิยากิริยาบางครั้งก็ต้องพระธรรมพราะต้องด้วยการรับและ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 ครับตามบทข้อที่แล้วเพราะเหตุนั้นพิจิตรเอาทุกกฎวัตถุซื้อแลกเปลี่ยนทุกทกฎวัตถุและกับิยวัตถุก็ดีเอากับิยวัตถุแลกเปลี่ยนทุกกฎวัตถุก็ดีอย่างนี้เป็นทุกกฎตอนแรกพิจิตเอานิสกิยวัตถุซื้อหาแลกเปลี่ยนนิสกิยวัตถุหรือทุกกฎวัตถุหรือกับิยวัตถุก็ดีหรือเอาทุกกฎวัตถุและกับิยวัตถุแลกเปลี่ยนนิสกิยวัตถุก็ดี เหล่านี้เป็นนิสกียะตายิตีของที่ได้มาเป็นนิสกีพึงเสียสระในท่ามกลางสองอย่างเดียวและพึงปฏิบัติในของที่เสียสระแล้วดังในสิกขาบทกรพิจุบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัติเป็นอนานติกะข้อนนี้เป็นอนานติกะเพราะว่าใช้ให้เขาไปถืแลกเปลี่ยนอันนี้ตัวเองไม่ต้องอบัติข้อนี้แต่ว่าไม่สมควรหรอกแต่ว่าคนที่ไปแลกเปลี่ยนเองต้องอบัติ ข้อนี้เป็นอนานนทิกะมีองสองก็คือของแท้แลกเปลี่ยนมาก็ดีของที่แลกเปลี่ยนมาก็ดีทรัพย์ของตนที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนก็ดีข้างใดข้างหนึ่งเป็นรูปียะเป็นนิสกิยะวะัตถุหนึ่งประดิษองก็คือสำเร็จในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันพร้อมด้วยองสองนี้จึงเป็นนิสักีสมุดฐานวิธีเป็นต้นเหมือนด้วยสิกขาบทก่อนแปลงใจสิขับวันนี้เป็นกิริยา ก็คือเกิดแต่การทำซึ่งการแลกเปลี่ยนอันถ้าจะแลกเปลี่ยนให้ถูกต้องก็เรามีสิ่งนี้แต่ไม่ต้องการสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนั้นต่อไปกยัวิทยาศกสตร์บทที่สิบความว่าเพี้สุดัยซื้อขายแลกเปลี่ยนกับพิยวัวัตถุด้วยกับพิยัวัตถุข้อที่เก้านี้เอานิสตัพยวัตถุหรือว่าทุกดวัตถุนี่นะไปแลกเปลี่ยนกับทุกฏวัตถุหรือว่ากับพิยัวัตถุก็แล้วแต่เอาสิ่งที่มันผิดพวินัยเนี่ยไปเปลี่ยน กับวัตถุที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็แล้วแต่กับพิยาเดือกับพยะก็แล้วแต่นี่นะข้อที่เก้าแต่ก็อที่สิบนี้เอากับพิยาวัตถุไปเปลี่ยนกับกับพิยวัตถุนะมีประการต่างๆมีจีวรเป็นต้นกับเครื่อหัดของนั้นเป็นนิสสคีต้องปาจิตตีเพี้ยกูกกล่าวกับเครื่อหัดว่าท่านให้ของนี้ด้วยของนี้ก็ดีท่านเอาของนี้ไปให้ของนี้แก่เราเอาของนี้แลกกับของนี้ก็ดีเอาของสิ่งนี้ไป จงทำของสิ่งนี้ให้แก่เรากรดีดังนี้เป็นต้นต้องทุกกฎถือเอากับยพัธ์แห่งผู้อื่นมาชื่อวซื้อให้กับยพั์ของตนไปชื่อวขายเพราะเหตุ น, นั้นเพิกตุให้กับยพันธ์ของตนไปแล้วถือเอากับยพันธ์อันใดของกระหัสพ้นจากสหธรร ม, มิสังฆาแม้เป็นมารดาบิดาก็ตามนะจะเป็นมารดาด้วยวาจาเป็นคําแลกเปลี่ยนกัน กับยะพันนั้นเป็นนิสกีพึงเสียสละวัตถุเป็นนิสกีนั้นแก่สงหรือแก่คณะหรือแก่บุคคลเพราะมันเป็นกับยาวัตถุไม่ต้องเสียสละแก่สงอย่างเดียวถ้าเป็นพวกอากาศยาวัตถุศัพท์ยวัตถุที่เป็นเงินทองพวกนั้นต้องเสียสละแกะสงอย่างเดียวทิฏฐุให้ของกินหรือวัตถุสิ่งไรแก่คระหัตกล่าวว่าท่านจงกินสิ่งนี้หรือถือเอาสิ่งนี้แล้วเอาของนี้มาให้เรา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 กินไปแล้วก็โยมมาทําหัตถกรรมให้หน่อยนะไม่ได้แรกนะขอหัตถกรรมนี้ไม่เป็นไรถือว่าใช้ก็ได้ถือว่าเป็นลูกศิษย์แล้วก็ใช้ทํางานก็ได้ภิกษุถามราคาว่าของนี้ราคาเท่าไหร่ก็ดีปรารถนาจะถือเอาพันดะแต่มือผู้ใดเว้นผู้นั้นเสียให้ผู้อื่นโดยทสุดแม้เป็นลูกของเจ้าของพันดะนั้น วานให้เป็นกับพิยกระกแลกเปลี่ยนแทนว่าท่านจงเอาของนี้แลกของนี้มาให้เราดังนี้ก็ดีและกล่าวให้พ้นกายวิกายะดังพิจุเดินทางไปมีแต่ข้าวสารจะต้องการเข้าสุกว่ากะเจ้าของข้าวสุกว่าข้าวสารของเรามีอยู่เราหาต้องการไม่เราต้องการด้วยข้าวสุกอย่างเนี้เขาเรียกว่ากับพิยาวาจาในการแลกเปลี่ยนว่าดังนี้และเจ้าของข้าวสุกเอาข้าวสารไป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 ไม่ใช่สัทธมิกถ้าเป็นสัทธรมิกก็แลกเปลี่ยนกันได้นี่มีปัญหาข้อที่ามก็คือแลกเปลี่ยนด้วยอาการดังว่าแล้วก็คือไม่ได้ใช้กัปปิยะวาจารใช้วาจาที่ไม่ถูกต้องพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นนิสกัคีเรื่อได้่ใช้นอกนั้นก็มีดังกล่าวแล้วในรูปิยะติขาบทก็คือเป็นสัญจริตาสมุทฐานเป็นโนสัญญา ว, วิโมกข์อาจิตติกาสัยกรรมอจิกรมกาารมยิฐาเวทนาสาคำนะ เป็นปันนติวัชชะถ้าสมานจบดุติโยวัโคโวจบนะจบปัคที่สองวัคที่สามก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้จัดทาในพระรนชตรายอบรมตรจิตาเพื่อจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมกตธรรมกิจของสมณน ะ, ะกตธรรมกิจของผู้ที่เป็นพุทธศารสนิกชนก็คือคททกตธรรมตามกรรสอนของุทศาสดาซึ่งกรรตสอนนั้นก็ส่องค้อยอยู่ในศีลสมาธิ ป, ปัญญาขอให้เจริญด้วย ศีลสมาธิปัญญาอบรมินทีห้าพระห้าพจงเชินแลก็อริยามารมณองคแปดตสัสรู้อริยสัจสัธรรมจะได้พ้นจากวัฏฏทุกเสียโดยเร็วพันสาธุสาธุสาธุ